ติลคณาทิคาถาธรรมยังติลคณาทิคาทายพนามเสสัพเพสังคาราอนิจาติยะทาปัญญยปัสสติเมื่อได้บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทางปวงไม่เทียงอาธานิพินทติทุกเคเอสัมมาโควิสุทธิยาเมื่อนั้นยอมเลื่อยนายในย ส, สิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอั น, อนเป็นธรรมหมดจด สัพเพสังขาราทุขาติยธ า, าปัญญายาปปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทางปวงเป็นทุกข์อาธานิพินทติทุกเข เอสัมมโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดสะเพธธรรมานาตาติ ยะธาปัญญายาปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอาธานิพินทติทุกเคเอสมะโควิสุทธิญาเมื่อนานยอมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละ เป็นทางแห่งรานิพานอนนันเป็นธรรมหมดจนอปกาเตมนุเสสุเยชนาปารคามิโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฝั่งแห่งรานิพานมีน้อยนกักอัทธายังอิตราปชาติระเมวานุทาวติ มูมนุษย์นอกนั้นย่อมวิ่งล่ออยู่ตามฝั่งในนี่เองเยจโคส ม, มัทธ า, าเตเตธรรมเมธรรมอนุวัติโนก็ชนเหล่าใดประเพื่อสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเตชนาปารเมสันเต มาจุเธอยังสุทุตระรชนเหล่านั้นจากถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมาจุที่ข้ามได้ยากนักการหั่งรรมังวิปภายาสุกังพาเวทปันดิโตจงเป็นบัณฑิตละรมดำเสียแล้วเจรเลิรทำขาว โอกาโนกมาคามาวิเวเกยัะทุระมังตาตราพิรติมิจัยยาอิตวากเมอกินจโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำ จากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตยินดีได้โดยยาก